แต่พอยุ79ก็กลับมาเป็นนักพรตบาเพ็ญชีวิตยอย่างพิขาจาร์เรียกว่าเลีเ้ยวนะเคียวออกไปคดเคียวไปอีกทางหนึ่งเลยอาจจะถึงค180องศาเลยก็ได้เสร็จแล้วก็มาบำเพ็ญทุกขกัลกิริยาแล้วก็เลี้ยวนะออกไปอีกทางหนึ่งนะเป็นเส้นทางสู่ทางสายกลาง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 เพราะว่ามันมีทางแยกสามารถจะแยกไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับที่หมอดูได้คาดการหรือทำนายไว้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าหมอดูเขาทายถูกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยนะเขาก็ดำเนินชีวิตไปตามที่เคยเป็นหมอดูคงจะอาศัยการทำนายจากพฤติกรรมในอดีต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 พวกเซียนบอลก็พยากรณ์ว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาสจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่1ใน2000นะน่ใน2000นี่มันยิ่งกว่าเขาเปรียนมันก็ว่าเจอเอลวิสเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเจอเอลวิสเป็นเป็นเนี่ยเราก็ทราบ่าเอลวิสี่ตายตั้งแต่ปี20นเนี่ยก็มีคนเชื่อว่าเอลวิสยังไม่ตายอัตราการต่อรองว่าในโอกาสที่จะเจอเอลวิสเนี่ยเป็นเป็นเนี่ย 1, 2, นในสองก็คือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาตายไปแล้ว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 นะส่วนกษัตริย์เมืองที่สองเนี่ยนะก็รู้เหมือนกันนะว่าพระอินทร์ทํำนายว่าอย่างไรแต่ว่าไม่ย่อท้อนะก็มีการตากเตรียมฝึกฝนอ่าไพร่พ ล, ลอย่างเต็มที่พอทําสงครามก็พบว่ากษัตริย์เมืองที่สองชนะนะกษัตริย์เมืองแรกก็ตกใจแล้วก็โกรธนะก็ไปไล่เบีย้ยกับหรือเสียว่าทําไม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 ทันแล้วก็ไปถึงที่ทำงานตรงเวลาเข้าประชุมนะได้ตรงเวลาเนื่องจากเอกสารเตรียมมาพร้อมแล้วนะการประชุมก็เลยสาเร็จเจ้านายก็ชมเขาก็มีความสุขตอนบ่ายเนี่ยเขาก็มีกําลังใจในการที่ทำงานเพราะว่าทำงานสาเร็จตั้งแต่เช้าเพื่อนมาหยอกล้อเขาก็หยอกกลับนะก็เป็นอันว่านะ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 ก็เป็นแววันนั้นทั้งวันทุกคนมีความสุขเหตุการณ์2เหตุการเนี่ยนะภาพสองภาพเนี่ยมันตรงข้ามกันเลยนะ จ, จุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนนะจุดสำคัญอยู่ตรงไหนจุดชี้ขายอย่ตรงไหนจุดชี้ขายไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกทาแก้วน้าตกแต่จุดชี้ขายอยู่ที่ว่าพ่อเนี่ยมีสติไม่โกรธลูกไม่ว่าลูกนะนี่คือเป็นจุดที่พ่อเนี่ยสามารถจะเลือกได้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 ตกต่ำเรียว่าเรียกว่าอยู่ในอันดับที่50หรือเป็นร้อยเลยนะแต่ว่าไอ้ความตกต่ำเข้าความล้มเหลวแพ้ของของเขาเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วนี่มันกลายเป็นเป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถจะมาเป็นแชมป์ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเขาเห็นเขาได้เรียนรู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแล้เธอเคยบอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ที่ ไปเจอเอาช่วงแย่ๆเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเธอบอกว่าคนเราเนี่ยมันย่อมมีชีวิตบางช่วงที่ตกต่ำย่าแย่แต่เธอโชคดีที่มาแย่เอาตอนที่เธอยังยังเด็กคืออายุแค่1 8บ9ก็เลยทำให้มีเวลาที่จะเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยกที่บางคนเนี่ยพอล้มเหลวเนี่ยนะชีวิตก็เลยย่าแย่ไปเลย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 ผิดหวังอกหักก็เลยเข้าไปหาเล่านะไปหาอบายามุขแต่บางคนมันทำให้เขาเข้าหาวัดเข้าหาธรรมะคนหนึ่งเนี่ยชีวิตย่าแย่ยิ่งกว่าเดิมแต่คนหนึ่งเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ว่าชีวิตกลับอาจจะเลยงอกงามกว่าเดิมอันนี้ที่ตะมาเรียกว่าเป็นทางแยกนะเป็นทางแยก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 ที่จะทำให้ที่ทให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะตกต่าย่าแย่เนี่ยแต่ว่ากลับกลายเป็นภริยาบุคคลได้เนี่ยก็คือการที่มีสตินะมีสติตั้งหลักได้นะเราก็เลยสามารถประคับประคองรักษาใจแลวสตินั้นเองก็ทำให้ได้เห็นธรรมะนะเกิดปัญญา เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เ, เวลาเวลาเราเจออะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแรงๆเนี่ย